พระเข า, เขาตั้งใจเป็นไร่องเพราะนั่นมันมีตัวอย่างตัวตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่ลงไปเรามาฝึกตั้งใจกันนะมารวมกันอยู่ที่ศาลาการเรียนเนี่ยตั้งใจคือตั้งสตินั่นเองเนี่ยควบคุมใจให้มันแน่วแน่อยู่ภายใน ไม่ใช่นั้นแล้วไม่ได้ผลการฝึกอบรมกันนี้ไม่ได้ผลเลยแต่มันจะได้ผลก็ต่างคนต่างมีสติควบคุมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายในก็ตามธรรมดาเราปล่อยจิตให้คิดไปตามอำเภอใจอยู่เสมอเสมอไป วันนี้จิตเช่นนั้นน่ะเป็นจิตที่เลื่อนลอยใช้ไม่ได้ไปเที่ยวเกาะโน่นเกาะนี้ไปยึดถือสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่เช่นนั้นน่ะมันไม่เป็นทางพ้นทุกได้ก็ขึ้นที่หัวไปเกาะไปคล้องแล้วมันจะพ้นได้ยังไงอ่ะอเหมือนอย่างบุคคล ท่องเที่ยวไปชอบใจตรงไหนอยู่ตรงนั้นอาศัยอยู่ตรงนั้นเที่ยวไปอาศัยอยู่ล่ำไปทีนี้มันก็เลยกลับไม่ถึงบ้านก็เขาเรียกว่าคนพนเณิจรเที่ยวเล่ร่อนไปไม่รู้จักจุดหมายปลายทาง อันนี้จิตใจนี้ก็ทันใจก็อย่างนั้นแหละปล่อยให้มันได้รอดไปไม่รู้จักควบคุมปล่อยให้มันตันหามันจูงไปอยากได้อะไรต่ออะไรเมื่ออยากได้สิ่งได้ใจก็ไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้นไปเพ่งอยู่ในสิ่งนั้นอย่างนี้ การที่จะทําใจให้สงบให้มันหลุดพ้นไปจากโรกสันนิวาดอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะบุคคลจะหลุดพ้นไปด้วยอำนาจการส่งกิจออกไปข้างนอกนั่นแม้จะส่งไปไกลเท่าไรมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันไม่เป็นทางพ้นทุกข์เพราะว่า จิตแท้ๆมันไม่ไปนะมันไปแต่เจตสิกรเรียกว่าสัญญาเจตสิกสังขารเจตสิกอ่วิญญาณเจตสิกโมนี้นะมันพุ่งไปตามความประสงค์ของจิตอแต่จิตแท้ๆแล้วไม่ไปไหนอยู่นี่แหละแต่โดยว่าโดยสมมุติแล้วเราคว่าจิตไปโน่นจิตไปนี่อืม อย่างนี้ดังนั้นเจตสิกที่ส่งไปนี่คล้ายๆกับเป็นเชือกผูกมัดตัวเองให้ติดอยู่กับโลกอันนี้หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้ต่อเมื่อบุคคลใดมา้อมสติเข้าไป ไม่ส่งเสริมเจตสิกเหล่านั้นให้มันส่งสายไปควบคุมจิตนี้ได้แล้วสัญญาเจตสิกสังขารเจตสิกวิญญาณเจตสิกเหล่านั้นมันก็หดตัวเข้ามามันก็ไม่ไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งใดหดตัวเข้ามาอยู่ในปัจจุบัน แต่ว่ามันดับลงก็ได้มันดับลงไปยังเหลือเทจิตอย่างเดียวคือความรู้สึกเท่านี้มาเพ่งอยู่ในความรู้สึกนี่ให้มันบั่นคงให้มันหนักแน่นเข้าไปนี่จะเป็นทางหลุดพ้นจากโลกนี้ไปได้ให้พึงพากันเข้าใจ โลกสันนิวัติอันนี้ไม่มีสิ้นสุดบุคคลจะคิดไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่สิ้นสุดลงได้มันมีตั้งแต่ความเกิดขึ้นแลว้วก็แปลปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นโลกสันนิวัติอันนี้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดา กฎธรรมดามีอยู่อย่างนี้มันมีการเกิดทั้งนั้นแหละโลกอันนี้นะ่ะทั้งภายในและทั้งภายนอกภายในคือร่างกายอันนี้มันก็เกิดมาจากธาตุของมารดาบิดาโดยอาศัยบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ ไอ้โลกภายนอกสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองมันก็เกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละหรืออากาศาธาตุก็ได้เพราะว่าที่ไหนมันมืดตื้อๆนะที่นั้นต้นไม้ไม่เกิดเลยนั่นะที่ไหนมันสว่างแสงแดดส่องถึงแล้วต้นไม้ สังส่รเกิดขึ้นมานี่สิ่งภายนอกอที่ไม่มีวิญญาณคลองมันเราก็เห็นกันชัดๆอยู่เลยเช่นต้นไม้เนี่ยถึงฤดูใบร่วงก็ใบร่วงลวงไปอย่างเงี้ยเหลือแต่กิ่งถึงฤดูใบเขิดอกปลิออกมา แล้วต้นใดที่มันเกิดมานานไม่มีคนตัดมันหมดอายุมนแล้วก็ตายยืนอยู่นะั่นะเหลือแต่ต้นนะแต่ส่วนมากคนไม่เหลือมีแต่คนตัดเรียกว่าไม่ตายหงว่าได้อันนี้เราต้องพิจารณาให้มันรู้สิ่งที่มีวิญญาณคลองได้แก่สัตว์สิ่งนิรัรช้านะ พวกเทวดาผู้ผีปีชาติสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสูรกายสัตว์เดรัจฉานพวกเทพต่างๆพวกพรมหมู่นี้มันก็มีขอบเขตเหมือนกันนะบุญกุศลตกแต่งให้เมื่อหมดบุญกุศลที่มันตกแต่งให้นั้นแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ในภพนั้น แก็ต้องเคลื่อนจากครบนั้นไปหาที่เกิดใหม่ก็คือดวงจิตนี่แหละมันเคลื่อนไปแต่รูปร่างนั้นเทวดาอินพรมนี่มันละเอียดตายไม่มีซากศพไม่ได้เผากันเหมือนอย่างรูปร่างของมนุษย์พอจิตเคลื่อนที่ออกไปเท่านั้ น, นก็เป็นพัดธนีไปเลยร่างกายนี่นะมันเป็นของละเอียด มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งพวงเหล่านี้แล้วจะได้เกิดนิพิทาความเมื่อหน่ายเมื่อหน่ายพอมามองเห็นอะไรอะไรก็รู้แต่เป็นของไม่เที่ยง เริ่มนับแต่ร่างกายสังขารที่ดวงขิดอาศัยอยู่นี่แหละออกไปมันก็ร่วนจะเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนทั้งนั้นเราก็รู้กันอยู่ต้องได้เยียวยากันอยู่ทุกวันทุกวันนะรูปร่างอันนี้ถึงอยู่ได้แม้ต้นไม้ใบหญ้ามันก็ต้องดูดอาหารไปเลี้ยงลําทนของมันอยู่ทุกวันทุกวันยิงค่อยอยู่ได้ พาราห์คนดูดอาหารไปเลี้ยงลำโทษไม่ได้แล้วต้นไม้ต้นก็เฉาไปตายไปร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อหมดบุญหมดวาสนาที่ตนสร้างมาแต่ก่อนแล้วมีแต่มันเฉาลงไปสำรุดไปอาหารนับประทานก็ไม่มีรสชาติเหมือนแต่ก่อนนอนก็ไม่ค่อยหลับ แล้วก็จะเดินเหินไปทางไหนก็ลำบากลุกก็ยากนั่งก็ยากเพราะว่าธาตุทั้งสี่ดินน้าไฟลมนั้นมันอ่อนกำลังลงมันไม่มีสิ่งสนับสนุนคือว่าบุญมันล่อยหรอลงไปเท่าไรร่างกายนี่มันก็ลอยหลอลงไปเท่านั้นชำรดลงไปเท่านั้นเมื่อเวลาบุญกุศลอย่งอางอุปธรรมบำลงเต็มที่อยู่ ร่างกายอันนี้มันก็แข็งแรงเป็นปกติอยู่ตามธรรมดาออะไรอะไรก็รู้สึกว่ามันดีทีนี้คนเรามันก็มาหลงไอนความสมบูรณ์อันนี้แหละเมื่อบุญกุศลมันรักษาตกแต่งร่างกายนี้ให้สมบูรณ์พูนถุกก็เลยมาหลงสําคัญว่าตนนั้นจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่าย สำคัญว่าตนนั้นจักยังเป็นอยู่ไปนานเมื่อผู้ใดเข้าใจผิดไปอย่างนั้นมันก็ทำให้เพลิดเพลินมัวเมาไปลืมสร้างบุญสร้างกุศลปล่อยให้ร่างกายนี้มันสุดโทมีลิโน้อยละน้อยโดยไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวหรอกว่าตนแก่ตอนที่แรกนี้นะ ตอนมันชำรุดทุดโทรมบที่แรกนี้ในเมื่อมันชำรุดบางว่าคุณจึงรู้ตัวว่าตนแก่เช่นผมหงอกควันหลุดไปตามัวหูเออเข้ามาแล้วเออรู้แล้วมันรู้ว่าตัวเป็นคนแก่ลงไปแต่ก็อย่างว่านนบางคนตันหาหลายแม่ร่างกายจะทุดโทมแต่ใจมันไม่ทุดโทม ใจมันถูกตันหา ย, ยอมเอาให้เพลินอยู่อย่างนั้นก็มีอยู่คนในโลกนี้นะผู้ใดถึงแม้ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนแต่เมื่อมามีปัญญาพิจารณาเหตุผลต่างๆมาประกอบเข้าไปแล้วก็จะเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้มันชำรุดไปเรื่อยๆไปมันแต่ว่ามันชำรุดทีละน้อยละน้อย ทีแรกนี่นะทีนี้เมื่อนานไปนานไปบุญกุศลมันหมดไปมากๆเข้าไปความทำรุดของร่างกายนี้มันจึงปรากฏมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตมันมีอย่างนี้เมื่อเรามองดูด้วยสมาธิใจตั้งมั่นมองดูด้วยปัญญา เห่งดูอยู่ภายในแล้วมันเหมือนอย่างที่เราเที่ยวไปแล้วไปไปดูเปิดประตูเข้าไปมองดูในอาคารสถานที่บางแห่งไม่มีคนอยู่ไม่มีสิ่งของอะไรเป็นแต่ห้องว่างๆอยู่เฉยๆนี่อั น, นอันนี้ก็ชั้นใดอย่างนั้นแหละผู้มองดูร่างกายด้วยปัญญาเมื่อมองเข้าไปดูภายในแล้ว ก็เห็นว่าม่วงจากสัจจะบุคคลนะไม่เห็นมีแก่นสารอะไรไม่เห็นมีสิ่งใดที่ควรจะยึดถือเอาไว้เพราะว่าสิ่งใดๆอวียาภายในนี่เราก็รู้กันอยู่ทุกคนนะไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรเลยก็มีแค่หนังเท่านี้น่ะหุ้มอยู่อ อ, อว่ามันสะอาด สดสวยแต่ถ้าในาหนังเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสะอาดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นแกนสารเลยดังนั้นน่ะผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงปรงท่านจึงวางไม่สําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเกิดความรู้ขึ้นว่าเป็นแต่ดวงขีดนี้อาศัยอยู่ในร่างกายในชั่วคราวเท่านั้น จะไม่ได้อาศัยอยู่อะไรตลอดไปผู้ผู้ผู้รู้ทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ประมาทถึงพยายามฝึกฝนจิตใจนี้ให้มันมีกำลังเข้มแข็งเมื่อมีกำลังเขงเข้มแข็งแล้วมันก็ไม่วันไหวต่อเรื่องที่กระทบกระทั่งมาก็ไม่ได้สร้างกิเลสให้เกิดขึ้นในใจ ไอ้ที่บุคคลจะสร้างกิเลส ข, ขึ้นในใจของตนนั่นก็เพราะว่าใจไม่มีกำลังนั่นแหละใจอ่อนแอด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อมีอะไรกระทบกระทัง่งเข้ามาถ้าเป็นสิ่งที่น่ารักมันก็หวนไหวไปตามความรักนั่นเกิดความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนรักนั่น เมื่อสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังกระทบกระทั่งมาจิตใจก็วันไหวไปตามสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังนั้นก็เดือดร้อนใจขัใจมันวันไหวแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยมันรู้เองฮะเรือหมู่นี้ถ้าว่าเรามีสติคอยควบคุมอยู่คอยระวังอยู่นะมันรู้ว่าอ๋อความวันไหวนี่มันร้อนอย่างนี้หนอมันเป็นทุกข์อย่างนี้หนอ ผมก็รู้ได้แต่ผู้หลงผู้เมามากนั่นนะ่ะมันไม่ได้คิดเลยใจตนเดือดร้อนก็นให้ปล่อยมันร้อนไปอย่างนั้นเลยบางทีมันก็ระเบิดออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยแสดงแห่งความร้อนใจออกมาให้เพื่อนได้เห็นได้ยินเมื่อเป็นเช่นนี้นะ่ะ การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่มีผลอะไรอถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนะอันผู้ไม่ปฏิบัติธรรมนั่นยกไว้มันก็หวมไหวไปตามธรรมดาหละจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนให้หนกเกแน่นนะมันทักบวนไหวอยู่นั้นเป็นธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ในสวรรค์น่ะต่างคนต่างฝึกใจเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมอันดีงามอยู่ในใจละความโกรธความพยาบาทต่างๆบันเทาความรักไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมได้ดังนั้นผู้ที่ไปเกิดบนสวรรค์มั่นทึงมีจิตใจเบิกบานห่องใส ไม่ถูกกิเลสอันชั่วร้ายครอบงมเอาให้เล่าร้อนจึงไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ได้แย่งชิงอะไรต่ออะไรของกันและกันเพราะว่าบุญนั้นมันแต่งให้เป็นสัตว์เป็นส่วนของใครของมันใครมีบุญมากเท่าใดน้อยเท่าใดมันก็เกิดสมบัติทิพขึ้นให้มากเท่านั้นน้อยเท่านั้น เราจะไปล่วงเกินเอาของผู้อื่นไม่ได้เด็ดขาดเลยบนสวรรค์แล้วดังนั้นโทษเทวดาบนสวรรค์จึงไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องแย่งชิงกันเรื่องทะเลวิวาทกันต่างๆ น, นานาหูเนี่ยแต่เรื่องรักเรื่องค่ายในหลวงมันจะปรากฏมีอยู่เหมือนอย่างในเรื่องในธรรมบทเรื่องหนึ่งว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่มนุษย์ทำบุญกุศลไว้มากพอสมควรตายแล้วไปเกิดโผล่ขึ้นไปเป็นนางเทพธิดาไปเกิดอยู่ในระหว่างแดนของเทพบุตรสี่ตนด้วยกันใครเห็นเข้าคนนั้นก็รักอยากได้คนนั้นก็อยากได้ตนนี้ก็อยากได้ทีนี้ เลยตกลงกันไม่ได้เพื่อนก็ไม่มีทะเลาะถึงบาหั a ป r w i s e กันก็พากันไปหาพญอินอ้าวพญอินเห็นนางเทพธิดาตัวนั้นเขาก็เกิดรกักเกิดพอใจขึ้นมาพญอินฉลาดกลัวเทพบุรเหล่านั้นจึงได้ถามความรู้สึกของเทพบุญเหล่านั้นเมื่อ ทรั้งแรกเห็นนางเทพธิดานี้แล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรเทพบุตรตนหนึ่งก็ทูลพระยาอินว่าเมื่อเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าจิตใจหวันไหวเกิดความรักความใคร่ความพอใจขึ้นมาอยากได้แบงนั้นาถามเทพบุตรตนที่สองเทพบุตรตนที่สองว่าเห็นเขาแล้วก็เกิดความรัก ความเอ็นดูอยากได้ไปเป็นคู่ครองนะถามตนที่สามที่สีก็ทูลเหมือนกันนะตอบว่าอยากได้นะสรุปแล้วนะอ๋อถ้าอย่างนั้นพวกท่านยังความรักของพวกท่านยังสู้ข้าพเจ้าไม่ได้หรอกข้าพเจ้านี่พอาะเห็นนางเที่ปฏิดาตนนี้แล้ว มันรักให้เอาจับจิตจับใจเอาซะจริงๆริอถ้าหากว่าไม่ได้เนี่ยคงตายแน่วะเทพบทสีตนั้นกลัวว่านายหุนนจะตายก็เลยยกเทพบิดานั้นให้แก่พญายินไปซะอันนั้นเรียกว่าเพื่อนอะทะเลาะกันด้วยปัญญาด้วยเหตุผลถึงก็ไม่ได้ประหัดประหารกัน อย่างนี้แต่ในบุญสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปแล้วนะไม่มีแบบนี้นะแต่สวรรค์ชั้นต่ําเช่นชั้นจ้าตูมชั้นดาวดิง้งอันนี้มันก็มักจะมีอยู่บ้างนี่แหละพูดถึงความรักความชังแล้วนะ่ะมันก็มีอยู่ แม้แต่นบนสวรรค์ก็มีแต่ว่าไม่ถึงกับได้รบราฆ่าฟันกันเหมือนกับมนุษย์โลกของเรานี่เพราะว่าเทวดามีบุญมากบุญรักษาใครไปทําลายชีวิตไม่ได้เลยอันมนุษย์เรานี่บุญน้อยแล้วก็กรรมเวรมีบางทีก็กรรมตามสนองเอาถูกเขาฆ่าตายมีอยู่มากมาย ไอ้คนที่มาเกิดในโลกนี่นะี่ะมันมีทั้งคนดีคนชั่วพะบางทีมันคนนรกมาแล้วพ้นเปรตพ้นอสุรกายพ้นสัตว์เดชานมามาเกิดเป็นคนกิเลสเลย อ, อึบา ก, กรรมอันนั้นยังไม่หมดมันเกิดมาบางคนก็มีร่างกายสมบูรณ์แต่ว่าใจนั่นน่ะใจดําบบนี้เนี่ยใจดเอมหิตคนเหล่านี้แหละ มันซ่องสมกันเป็นโจรเที่ยวปล้นเที่ยวค่าเจ้าทรัพย์เอาสิ่งของเขามาบริโภคใช้ส้อยอีกพวกหนึง่งทว่ามาเกิดเป็นคนเศษบาปยังไม่หมดก็มาตกแต่งร่างกายให้วิบัตให้เสื่อมโทรมลงไปเป็นต้นว่าแขนด้วนขาด้วนหมด ตาบอดมาแ่กกำเนิดบางบ อ, อะไรพวกนี้นะอวัยวะบางส่วนมันไม่สมบูรณ์ก็เลยได้สวยทุกเวทนาอยู่งั้นเละอันจะมีความสุขความสบายเหมืนอนยังคนที่เขามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ได้เลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นโย เนี่ยอยากให้ผู้ฟังทั้งหลายนะ่ะพิจารณาดูเหตุปัจจัยของชีวิตยอย่างนี้ให้มันเห็นในระหว่างบุญและบาปนี่มันแตกต่างกันอย่างไรนี่นะอืาก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของขอ ง, ของตอนนี่มันก็มาตรงกับคำที่อธิบายมานี่แหละ ผู้ใดทํากรรมผู้ใดก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นผู้ใดทํากรรมชั่วมากรรมชั่วมันกรสนองเอาอย่างว่ามานั่นเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยด้วยความลาบากยากเย็นผู้ใดทําบุญกุศลมาบุญกุศลกรรมหน่อยผลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามสมควรแก่กําลังของบุญ อยู่เย็นเป็นสุขไปชั่วระยะบุญที่ยังให้ผลอยู่เมื่อบุญนั้นหมดลงแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปก็มันเป็นอยู่อย่างนี้นะชีวิตของคนเราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแต่คนผู้หลงผู้เมามันหากไม่ได้มาคิดมาพิจารณาอย่างนี้ มีแต่กินแล้วก็นอนก่อนแล้วก็นินกินแล้วก็เพลิดเพลินในกรร ม, มคุณไปเท่านั้นแหละเพราะว่าในเมื่อบุญกุศลยังรักษาอยู่ร่างกายอันนี้มันก็สมบูรณ์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละวันนี้คนก็มาหลงความสมบูรณ์ของร่างกายอันนี้จึงได้เพลิดเพลินมัวเมาไปในกรร ม, มคุณ ลืมนึกถึงอานิจจังทุกขังอนัตตาลืมนึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิตทีนี้พอบุญกุศลบุญเก่ามันลอยลอลงร่างกายทุดโทรมลงไปแล้วจะจะทำความดีอะไรก็ลำบากแล้ววะนี่จะหาเงินหาทองก็ไม่ได้เหมือนแต่ยังหนุ่มแน่น อะไรอะไรก็ทำรุดลงผู้หลงผู้เมาแล้วยิ่งไม่ตื่นตัวอ้างว่าตนนั้นแก่ชราแล้วไปวัดไปว่าก็ไม่ได้เจ็บหลังปวดเอวตาก่อมัวหูก่อกึ้ฟังเทศฟังทำอะไรก็ไม่เข้าใจอ้างไปทั่วเลยไม่เข้าวัดเข้าวาเสียเลยนี่แหละ คนหลงคนเมาเนี่ยเมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ถ้าหากไม่ได้ฟังคาสอนของผู้เผยเจ้าแล้วส่วนมากไม่ตื่นตัวกันก็ปล่อยให้ร่างกายอันนี้มันชุดโทมไปเสียเปล่า เ, ลาเวลามันยังไม่ชุดโทมเราไม่ใช้มันทำความดีไม่นึกถึงชีวิตว่ามันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรนี่ไม่รู้เลยอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆ แล้วเช่นนี้ผู้นั้นก็เป็นอันว่าชีวิตก็ย่อมอับเฉาลงไปเหมือนพระจันทร์ในข้างแรมนี่แหละเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนะ่ะมันก็ลิบหลี่แสงมันนะเพราะมันสว่างเพียงเสี่ยวเดียวหนึ่งอย่างนี้ชีวิตของมนุษย์เรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย เมื่อไปทำบุญกุศลความดีเป็นที่พึ่งของตนไว้ในจิตใจแล้วตายไปเกิดไปพบได้โทษพบได้ชาติใดก็พบแต่ความยากของลำบากเพราะไม่มีบุญกุศลไม่มีความดีอะไรจะมายกยอชีวิตจิตใจอันนี้ให้สูงขึ้นได้ให้ได้เสวยความสุขความเจริญอะไรไม่มีเลย เพราะว่าตนไม่ได้สร้างความดีอะไรไว้ในอดีตหนังมนี่ควรคิดนะควรคิดกันให้รู้ควรตื่นตัวเรานับถือพุทธศาสนาแท้ๆก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจนี่มันไม่รู้ไม่ชี้บาปบุญคุณโทษอะไรเลยอย่างนี้นะไม่สมควรนะเพราะว่า เมื่อเรานับถือบุรุษศาสนาเราก็ต้องสนใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าอพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรอ่ะนี่เราควรสนใจนี่เมื่อสนใจมันก็รู้สิถ้าหากว่าดูตลอดตอนลาไม่ออกอย่างนี้นะพาฟังเทศเนี่ยพระท่านจะกลั่นกรองเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาแสดงให้ฟังให้เข้าใจง่าย ไม่ให้ลำบากเพราะถ้าพระพูดตามตำรับตำราอะไรมันป่วงขวางไอ้ผู้ที่มีปัญญาโน้ยยฟังไปฟังมารุจับต้นชนปลายอะไรก็ไม่ได้เลยนี่ทีนี้ถ้าฟังพระท่านเทศให้ฟังท่านกลั่นกรองเอาแนวทางปฏิบัติแห่งคำสอนของพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟัง มาที่ให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตอย่างนี้แล้วคนนั้นก็จะตื่นตัววา่าชีวิตของเรานี่มันจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยการกระทำความดีอยู่เฉยๆจะให้มันจเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้อันชีวิตนี้ได้ประสบความทุกข์ทนทรมานแก้ไขยอย่างไรก็ไม่ตกนั่นเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทอาออกมาแต่ก่อน เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะได้กลัวต่อกรรมชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ต่อไปก็พยายามเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขามันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วว่ากรรมชั่วนั้มันอานวยให้เป็นอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างไรเมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาของตนแล้วเช่นนี้มันก็ กลัวป่ะนี่อืมกลัวกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นั่นแหละผู้บุคคลผู้เท่นั้นแหละเป็นผู้ละกรรมชั่วได้อถ้านึกถึงกรรมชั่วแล้วใจยังเฉยเฉยไปไม่สะดุ้งหวากลัวแล้วไม่เชื่อคําสอนของพุทธเจ้าด้วยอย่างนี้แล้วก็คนนั้นละกรรมชั่วไม่ได้เลยอก็อจะต้องทํำกรรมชั่วใส่ตัวอย่างนั้นแหละเลื้อยไป บางคนก็อาจจะว่าเอา้าวทำไมมาแสดงแต่เรื่องแต่กรรมดีกรรมชั่วแท้ใครๆก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรืออจริงอยู่รู้ตามวิญญาณรู้ตามสัญญาเฉยๆนี่นะมันไม่มีความหมายอะไรต่อชีวิตอย่างเช่นว่าเห็นคนล้มคนตายลงอย่างนี้ก็เฉยๆเลื่อยไปอย่างนี้นะ ไม่สังเวชสเราใจไม่นึกถึงตนของตนเช่นนี้แนละ้วมันการไปเห็นคนตายเช่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่บรรเทากิเลสตัณหาอะไรลงได้เลยนี่ถ้าไปเห็นคนตายนะลงไปแล้วก็ปรงสังเวชลงในใจโอ้ชีวิตนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้หนอหมดบุญหมดกรรมแล้วก็แตกตายทำลายลงแม้เราก็เหมือนกันอย่างนั้น ที่เรายังไม่ตายก่อนนี้เพราะบุญเรายังมีถ้าบุญหมดลงต้องตายเหมือนกับคนที่ตายไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทมันก็รีบเตือนตนเข้าไปนะอย่างนี้มันก็ได้ประโยชนจากการไปเห็นคนตายนั่นแหละระหว่างความรู้ความคิดอันประกอบไปด้วยโมหะความหลง กับความรู้ที่ประกอบไปด้วยสติปัญญามันแตกต่างกันอย่างนี้ใครเราจะไม่เห็นคนตายเนอะมันเห็นกันอยู่ทั้งนั้นเลยเกิดมาในโลกนี้นะแล้วเห็นแล้วมันไม่ได้คิดไม่ได้รงทำธรรมสังเวทอพูดแล้วก็ยังมันหน้าทุเรศไหลามา คนบางจังหวัดบางภาคถ้าคนใดตายลงอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะดีเท่าไหร่อย่างนี้ไม่มีคนจะไปหามศพไปในป่าชา้าต้องผู้เป็นญาติก็จำเป็นต้องในหาเงินมาซื้อเหล้าเป็นไห่ไหนุ่นไปตั้งไว้ในบ้าน วันนี้ไปเชิญกันมาผู้ใดมาเอาแจกเกล้าให้ดืม่มแจกแก้มให้กินกันบันทึหลายหลายอืหลายพหลยหลายเกินไปแล้ววันนี้นะหามกันไปไม่หนักเลย อ, อย่างนี้แหละมนุษย์เรานะเมื่อไปสู่ป่าชาแล้วก็เอาเ่าไปแจกกันดืม่มเมามาหยุดแทนที่จะ คิดสังเวชสะลุดใจในความลงความตายไม่มีมันไม่ได้นึกถึงตั ว, ตวเองเลยนี่แหละันนั้นแหละกิเลสมันหนาแน่นอยู่ในจิตใจของคนเรานะเน่ยอ้าวบางแห่งนะตายแล้วก็ตั้งศพไว้ในบ้านนั้นอา้าวมีเหล้ายาปลาปิ้งมากินกันแล้วก็เล่นการพนันกัน เฮฮาลงไป เ, เจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่าอะไรบางแหง่งก็เล่นกันอยู่คืนยังรุ่งก็มีอย่างนี้นะไม่ได้เกิดความสังเวชสะลุดใจอะไรเลยสนุกสนานกันซ้ำนะผู้ตายก็นอนอยู่ในโรงไม่รู้ไม่คิดอะไรผู้ยังมีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยแสดงความสนุกสนาน คล้ายๆกับว่ายินดีกับความตายไปส่งเสริมความตายก็ว่านี่เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจไอ้ความหลงความเมานี่นะให้พากันกลัวอย่าทำเฉยเมยทำตนเป็นคนไม่รู้ไม่คิดเหตุผลอะไร ไอ้อย่างนี้ท่านว่ามันนานพ้นทุกเมื่อไม่รู้ไม่คิดเหตุผลแห่งชีวิตเพราะอย่างที่ว่ามานั่นแหละก็มักจะไปทําแต่ก ร, รมชั่วนั่นนะ่ะกรคำดีทําไม่ได้ทํากันนิดนิด น, ดน้อยๆเพราะเพราะนั่นแหละท่านเอเขาทําบุญบ้านใดเรือนใดถ้าไม่มีสุรายาเมา อ, อะไรแจกกันแล้วก็คนก็ามาลอมจมแจ่มไม่มีเท่าไรนะัก หรือถ้าไม่มีมโหสพคบกันอย่างนี้ยิ่งแล้วเว้นเสียแต่คนบางพวกที่สนใจในธรรมะอย่างนั้นจัดงานบุญกุศลอะไรขึ้นเขาก็ไม่มีของมโหสพคบกันไม่มีของมื่นเมามาเลี้ยงกันนิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์แล้วแสดงธรรมให้ฟังกันไป เป็นการอบรมจิตใจให้น้มเน้าไปในทางศีลทางธรรมนี่ผู้ปฏิบัติธรรมนะผู้สนใจในคำสอนของพระเจ้าเมน่ที้ผู้ที่รรทาเช่นนี้นะก็เป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลแหละทาบุญก็ได้บุญมากจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้เอากิเลสบาปรธรรมมาแท้ เอาแต่ความดีล้วนๆทำกันนะทางใดจะเป็นบาปเป็นกรรมแล้วไม่ไม่ทำกันนี่ขอให้พุทธบริษัททางหลายได้คิดพิจารณาดูส่วนมากก็เข้าทำนองที่ว่าทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินนั่นแหละ มันก็เป็นความจริงเนะี่ยคนบางพวกเขาเห็นเพราะว่าทำบุญทำทานอะไรเอาตะกีเลตปากประทำเข้าไปแทรกแทงอย่างนี้นะ่มันก็เสียไปเปล่าๆส่วนมากได้ผลนิดๆหน่อยๆสู้ไหวเจ้าไม่ได้ไหวเจ้าเอาสัตว์ที่ต้มที่อะไรให้สุกแล้วไปวางไว้บนศาลเจ้า พอสมาสครแล้วก็ไปขอจากผีเอากลับไปบ้านแล้วก็ไปกินกันนะีมน้ำสำลานดีอันนี้มันไม่เฉยใ่ทางคนทุกแม้การไหว้เจ้าก็เหมือนกันนะอืาแต่ความเข้าใจของคนนะ่ะเข้าใจว่าวิญญาณของผู้ตายนะั่น ยังไปอาศัยอยู่ตีห้องซุ้ยนันครบรอบปีมาก็เอาอาหารไปให้วิญญาณอันนั้นกินกันเอาเลอกท่าวันนั้นอื่นละ่ะปล่อยเพื่อนอดไปอย่างนั้นเหรอให้เพื่อนกินอาหารเดือนละทีปีละหนเท่านั้นเหรอนี่ถ้าว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นมานะ่ะมันไม่สมเหตุสมผลกันเลยถ้าจะให้กินเาให้ทุกวันสิ ถ้าหากว่าผีกินอาหารมนุษย์ได้จริงๆถ้าไม่ให้กินทุกวันก็หิวสินั่นแหละนั่นแหละเหตุผลมันไม่เพียงพอเลยไอ้ผู้ที่ทําแบบนั้นน่ะเอา้าไม่ทําแบบนั้นจะทำยังไงอะ่ะเอา้าทํายังไงเมื่อเวลาเป็นมนุษย์อยู่นี่นะก็ทําสิทําบุญกุศลเอาให้ทานไปสิ เรามีกำลังที่จะให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเข้านา้าเป็นทานได้เท่าไหร่ก็ทำลงไปสิเรามีศรัทธาจะให้ผ้าปอนเป็นทานก็ทำลงไปนั่นเองเรามีกำลังที่จะสร้างที่อยู่ที่จะใส่เป็นทานก็ทำลงมีโอกาสจะให้ยุบยาแก้โรคใัต่างๆก็ให้ไป เมื่อเราสร้างสมบูรณกุศลได้ในชีวิตที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แล้วตายแล้วไม่ต้องให้ใครไปส่งข้าให้กินหรอกบุญกุศลที่ผู้นั้นทำน่ะมันตกแต่งให้มีอาหารกินอีมนนำสำรานมีผ้านุ่งผ้าหม่มสวยสดงดงามมีวิมานเป็นที่อยู่อาศัยร่างกายก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อยู่สุขสำราญดีเพราะเชื่อบุญเชื่อบาปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อว่าบาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ก็เพียนละผู้นั้นไม่ทํามันเมื่อรู้ว่าบุญกุศลอำนวยผลให้เป็นสุขเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ลงมือทาไม่ท้อไม่ถอย อา้าวไปบัวได้ทำบุญจะได้กินอะไรบางคนว่าอย่างนั้นจริงๆนะนั่นแหละคนไม่มีปัญญามันก็พูดไปอย่างนั้นแหละถ้าคนมีปัญญาเขาไม่พูดอย่างนั้นเพราะว่าการทําความดีมันอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจนี่ต่างหากไม่ใช่อยู่ที่อื่นทีนี้บุคคลมารักษากายรักษาวาจารักษาใจทุกชนให้ดี ไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีอย่างนี้นะแม้ว่าการอาชีพนั่นนะ่ะถ้าหาความไม่ทำบาปอย่างนั้นแหละการห า, าอาหารมาเลี้ยงชีพมันจะขาดตกบุกข้องไปก็ให้มันบุกข้องไปแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนกันนะมีอะไรก็กินอย่างนั้น ไปขอให้มีสินบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ไม่มีสินน่ะหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากินกันอยู่แล้วก็ไม่เห็นมาอายุยืนเท่าไหร่นะไปไปแล้วก็ตายกันเยอะแยะลองสังเกตดูคนเราถ้าช่างสังเกตแล้วมันก็รู้ได้ น, ะนั่นนี่ ไอคนที่มีสินเขาพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วไม่เบียดเบียนสัตว์และบุคคลอื่นไม่เบียดัเบียนทรัพสมบัติของใครหาได้โดยทางสุจริตอย่างไรก็บริโภคใช้สอยอยู่อย่างนั้นเช่นนี้เขาก็ยังมีอายุมีชีวิตสืบต่อไปอยู่ในโลกนี้นะ ยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆพวกนี้นะพวกมีอายุยืนอยู่เท่ากับคนที่รับประทานเนื้อสัตว์นั่นแหละเห็นมาแล้วนะอืมีอายุยืนไปพอๆกันเละบางทอาีอาจจะอายุยืนกว่าคนที่บริโภคเนื้อสัตว์ไปซ้ําเป็นอะไรเนี่ย นี่มันขึ้นอยู่กับความพอใจในเรื่องอาหารนี่ก็ดีถ้าตนพอใจในความบริสุทธิ์พอใจในศีลมุ่งความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งอยู่ในใจเมื่อเห็นว่าตนมีความบริสุทธิ์ใจอยู่เพราะไม่มีบาปมาแทรกแซงอย่างนี้นะแม้เราจะกินอาหารที่ไม่มีรสอร่อยเท่าไหร่ก็สร้างมันก็อร่อยอยู่ในตัวมันนั่นแหละ เพราะว่าเราภาคภูมิใจที่ว่าเราไม่ได้ทำบาปเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่กลัวบาปนะคนที่ไม่ต้องการอยากจะให้บาปตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันก็รับประทานอาหารอย่างไรมันก็อิ่มได้ไม่หิวโหวยนี่เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อยังอยู่ครองราชสมบัติหรือว่าอยู่ครองเลื่อนรับประทานอาหารวันละสองมือ้อสามมือ้ออย่างนี้แหละคันเมื่อออกบวชไปแล้วไปฉันอาหารวันละมื้อเท่านั้นเองวันละขาบเท่านั้นแหละแล้วก็ถือจันทสีตามีตามด้วยได้ด้วยใครถวายมาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้น บางทีก็อดบางทีก็อิ่มเป็นนักบวชนี่นะอย่างนั้นแต่แล้วพระพุทธเจ้าแลวพระสงฆ์ท่านก็มีอายุไปจนถึงอายุไขถ้าไม่ถึงอายุไขก็นิดหน่อยเช่นพระพุทธเจ้าก็มีพระชนมายุไปแปดสิบปีพระสาวกมังองนะอายุเลยอายุไขไปก็มี เช่นอย่างพระอานน์อย่างเงี้ยอายุยืนตั้งร้อยี่สิบปีหรือพระภาคุละที่เป็นลูกสองตระกูลนั่นลูกเศรษฐีอ่ะลูกเศรษฐีถ้าก็ยังออกบวชนะท่านไม่ยินดีในสมบัติเศรษฐีอันนั้นเลยนั่นแนหะคนมีบุญมากเป็นอย่างนั้นนะอืคนมีบุญมากบุญมันอยู่เหนือสมบัติในโลกแล้ว ใจของท่านนะอยู่เหนือสมบัติในโลกนี้แล้วเคยสมวยสุขสมบัติเหล่านี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันก็ไม่เห็นพ้นทุกค้นภัยไปได้นี่เพื่อนรู้อย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาในตระกูลเศรษฐีก็จึงไม่โยมคองสมบัติแทนบิดามารดาเลยรามารดาบิดาออกบวช ออกบวชไปแล้วอของเป็นลูกสองตระกูลนี้เศรษฐีทั้งสองอ่ะเจ็ดวันตระกูลหนึ่งเอาไตรจีวอถวายพร้อมทั้งอาหารแล้วเจ็ดวันหนึ่งตระกูลอีกตระกูลหนึ่งเอาไปเอาไปถวายนิมนต์ไปฉันในบ้านฉันไปจะไปเจ็ดวันแล้วถวายผ้าใลหนึ่ง ไกลเก่านั้นยังอาจจะไม่ทันได้ซักซ้ำก็เปลี่ยนนุ่งผมไกลใหม่ส่วนไกลเก่านั้นก็เอาแจกพระที่ไม่มีไปเป็นอยู่อย่างนี้นะถ้าท่านหากอยู่ใน เ, เมืองสาวัตถีนั่นนะท่านท่านก็เป็นได้รับทายาทานจากมิดามารดาทั้งสองตระกูลอยู่อย่างนั้นเว้นเสียได้ท่าน อย่าลิกไปเมืองอื่นแห่งอื่นแล้วแล้วไปถ้าท่านกลับมาในบ้านเกิดของตนเองก็ต้องรับสนองมานดาบิดาแล้วท่านก็มีอายุยืนตั้งร้อยี่สิบปีโรคไข้ไข้เจ็บก็ไม่เวียนเวียนในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมแต่สมอลูกเดียวท่านก็ไม่ได้ฉันเลย อ, อย่างนี้แหละคน มีบุญนะอแต่ก่อนท่านได้ให้ยุกยาเป็นทานถวายทานแด่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระฤาษีแล้วก็ได้ให้ยาเป็นทานแก่คนทั่วๆไปแล้วก็เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ล้มให้ตายให้เจ็บให้ป่วยอะไรมูนี้นะอืม ท่านเว้นมาตั้งแต่สร้างบา ร, รมีมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดชาติสุดท้ายท่านจึงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพื่อท่านนิพพานท่านก็ น, นั่งเข้าฌานนิพพานในถ้ำกลางสงเลยนี่พูดตามตำรามันเป็นอย่างนั้นนะชีวิตของคนเราเนี่ยจงังหวะมันขึ้นอยู่แก่การกระทำ ผู้ทำกรรมอันใดก็ได้รับผลเอยแข่งกรรมอันนั้นอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาโดยตรงฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าลืมอย่าลืมหลักกรรมคือหลักการกระทำนี่แหละแต่ระษาศาสราทรงสอนว่าการกระทำนี่ต้องให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นการกระทำนั้นมันถึงเป็นบุญกุศล ออย่างเช่นว่าเอาอาหารไปวงสรวงเทวดาอินพรหมพูดผีปีชาดโมนี้นะมันมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าพูดผีปีฉาดหรือเทวดานี้ก็ไม่ได้กินอาหารอันนั้นเลยอาหารนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมการกระทำเช่นนั้ น, นแสดงว่าไม่มีประโยชน์ พระศาสดาทรงสอนว่าไม่มีประโยชน์แบบนั้นนะอย่างนี้ไอการที่เราให้ทานแก่บุคคลผู้มีศีลมีธรรมเมื่อให้ไปแล้วท่านกรบริภคใช้สอยให้เราเห็นได้อยู่ชัดๆนี่นะอืออย่างนี้แหละมันจึงว่ามันเกิดประโยชน์แล้วผู้ให้ก็ดีอกวีใจเมื่อตนสละทายทานออกไปแล้ว ผู้อื่นได้บริโภคใช้สอยมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้เช่นนี้นะก็ดีอกดีใจนี่มันถึงได้เกิดเป็นบุญกุศลขึ้นในใจนั่นเลยเพราะการกระทาของตนน่ะมันมองเห็นได้เลยว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้รับทานนั้นจริงๆนี่แม้แะจะให้แก่คนยากคนจนก็เหมือนกันนะ คนยากถ้าหากว่าไม่ได้รับทานจากคนผู้มีผู้มีอันจะกินอย่างนี้นะเขาก็จะดำรงชีวิตอยู่ไปไม่ได้วันนี้เมื่อผู้ให้ให้ลงไปด้วยความเอ็นดูสงสารเขาได้รับประทานอาหารนั้นแล้วเขาก็มีชีวิตเป็นอยู่ได้ผู้ให้ก็ดีอกดีใจว่าของทานของตนนะ่ะมีประโยชน์แก่ผู้รับจริงๆ เห็นได้ในปัจจุบันนี้เลยอย่างนี้อันที่ว่าการทำความดีนั่นนะเมื่อเราทำอะไรลงไปแล้วมันเกิดเป็นประโยชน์ตนก็ได้ความดีอกดีใจผู้รับทานของตนนั้นเขาก็ได้ความสุขความสบายตามฐานะอย่างนี้นะมันถึงเกิดเป็นมูลเป็นผุสนขึ้นมา ถ้าได้ภาวนาแบบนี้หรือว่าถ้าได้รักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นอย่างนี้ยิ่งมองเห็นประโยชน์อันใหญ่หลวงแท้ๆอันนี้นะเพราะว่าคนเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี่ก็เพราะเบียดเบียนกันนั่นแหละเบียดเบียนกันมันจึงเป็นทุกข์หลาย ถ้าเพียงแต่ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายนี่ก็ยังพอทำเนาแต่นี้ทุกเพราะการเบียดเบียนกันทรมานกันให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายในเมื่อพู้นั้นยังไม่อยากตายก่อนอย่างนี้นะเบียดเบียนทรัพสมบัติเข้าของของกันอะรกันทําให้ผู้เป็นเจ้าของสมบัตินั้นเป็นทุกข์เกิดร้อนเบียดเบียนเมียผัวของกันอะรกันออืทําให้ ทั้งสองฝ่ายนั้นเดือดร้อนเบียดเบียนกันทางประเวณีนั่นอนุนี้ลองคิดดูให้ดีเมื่อบุคคลไม่มีศีลแล้วไม่ได้ความอุ่นใจอะไรเลยมีแต่ความเดือดร้อนใจกลัวว่ากรรมเวรนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์หรือว่ากลัวว่าบุคคลผู้ทนไปเบียดเบียนเขาไม่ตายเนี่ยเขาจะ อาคาดจองเว้นตนในปัจจุบันนี้แหละนอนหลับขึ้นไปกสะส ด, ดุง้งกรมส ด, ดุ้งกลัวภัยความตายมันจะมาถึงเข้ากลัวเขาจะมาตอบโต้เอานี่ดังนั้นผู้มีศีลนนะเว้นจากการเบียดเบียนแล้วจึงสบายใจจึงปลอดกลงใจมันก็รู้เห็นอ น, นิสงส์ศีลตัวตนเองขึ้นมาอะไรแบบนี้นะ อ๋อรักษาสินนี่มันมีความสุขสบายอย่างนี้หนอนี่มันรู้มันเห็นขึ้นมาได้ตัวเองเลยเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็พอใจรักษาสินเรื่อยไปแหละคนเรานะเป็นอย่างนั้นเอาถ้าได้ภาวนาแล้วยิ่ง เ, เห็นผลแห่งการกระทาได้อย่างสูงเลยทีเดียววัเนี้ยเมื่อภาคเพียนพยายามทำใจให้สงบระ ง, งับลงไป ให้ได้อย่างนี้ในขั้นนี้ก็นับว่าได้ความสบายไม่ใช่ย่อยๆแล้วนั่นและได้ได้ความสบายเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อใจสงบลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่มีกั ง, งวลไปข้างหน้ามันไม่กั ง, งวลคืนข้างหลังอะไรเลยมันจะสมหวังหรือผิดหวังอะไรที่วงแล้วออกมาพวกนั้นมันก็ไม่คำนึงถึงเพราะว่า สิ่งใดที่มันร่วงมาแล้วมันก็ร่วงมาแล้วมันจะกลับให้ดีขึ้นเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ก็แล้วไป เ, เมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้้วก็คงก็วางลงจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งไม่ห่วงหน้าห่วงหลังอะไรอย่างนี้มันก็ยิ่งสบายนี่นี่แหละซึ่งสมกั บ, พ ร, บพระธรรมคุณบทว่าสันติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเอง ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้ปฏิบัติน้อยก็เห็นผลตามน้อยผู้ปฏิบัติมากก็เห็นผลตามมากอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติสูงจะเป็นเท่าใดยิ่งเห็นผลได้ชัดเจนนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันบุคคลบางพวกที่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ มีของสังเวยและเอาไปสังเวยเทวดาอินพรหมขอให้พระอินทร์พระพรหมช่วยตนให้มีความสุขความเจริญไปในโลกนี้โลกหน้าเแล้ววันนี้ตนเราไปทำบาปอยู่วันนี้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นอยู่เช่นนี้แล้วนะการอ้อนวอนเรานะี่นมันจะมีผลอะไรเรา แล้วเทวดาก็ไม่สามารถจะมาช่วยคนได้ทั่วโลกอันเนี้ยถ้าหากว่าอ้อนวอนกันอย่างนั้นหมดแล้วือเทวดาที่ไหนจะมารับอาสาประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ชาวโลกอันนี้เอเทวดาไม่ใช่ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชสามารถรดนันดาลให้คนผู้อ้อนวอนบ่วงสวงนั่นมีลาบมียศมีความสุขความเจริญอะไรอย่างนี้มไม่มี ไม่มีหรอกถ้ามีอย่างนี้ใครเราจะไปยากจนน่ะพวกเถรเทวดาพวกนั้นะมันก็ไม่ยากไม่จนสิมันก็รวยมันก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะแต่นี้ก็ไม่เห็นว่ามันเจริญรุ่งเรืองอะไรใครมีฐานะยังไงก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละไม่เห็นประเสริฐเลิศล้ำกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปเลยนี่มันไอแบบที่ว่าทําไปแล้วมองไม่เห็นผลในปัจจุบันนี้เลย แต่นี้ในพุทธศาสนานี่เราฝึกตนเข้าไปตามข้อวัตปฏิบัติดังกล่าวมานี่ออืแล้วก็มามองเห็นผลในภาวนาแับ น, นี้นะนั่นแหละทาใจให้สงบลงได้แล้วความดีทั้งหลายที่เราทํามามันก็ไปรวมอยู่ที่ใจนั่นหมดใจสบายแล้วก็โอ้นีเนาะความดีเนาะบุญเนาะนี่นี่แล้วก็มีปัญญาพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปอันนี้ เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอย่างนี้นะ